ช่วงที่เราปฏิบัติกันอยู่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องรู้ตื่นถ้าเราเราไม่รู้ตื่นคำว่าเห็นแจ้งหรือคำว่าเบิกบาน จะไม่เกิดผู้ภาวนามาหลายปีบางคนก็นหลายพบชาติมายังไม่พบคำว่รู้ตื่นและคำว่ารู้แจ้งก็ไม่มีความเบิกบาน ก็ไม่ปรากฏในกิจใจของผู้ภาวนาฉะนั้นสิ่งที่สำคัญนะองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าปัญญานัติอชายโตปัญญา ไม่มีแก่ผู้ไม่พินิษฐ์คำนี้สำคัญถ้าใครไม่รู้จากการพินิษ์พิจารณาปัญญาไม่เกิดเหมือนการนั่งทำฌานมันก็คือได้แค่ฌานแต่ยังไม่ได้ปัญญายังไม่ได้ จนถึงปัญญาญาณฉันปัญญายะบริสุทธิ์ชัติคนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญาฉะนั้นไม่ว่าใครที่ภาวนาที่ว่าท่านมีจิตอันบริสุทธิ์บุคคลนั้นท่านได้ถึงกับว่า องแห่งปัญญาอันเป็นความหลุดพ้นจริงๆจิตจริงบริสุทธิ์ได้ทำไมจึงใช้คำว่าจิตบริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์นั้นจิตที่ไม่รับสินบนแลวนะจิตที่ไม่กระทำความผิด จิตที่ไม่มีการเกือกล u วอยู่กับบาปอกุศลอันเป็นกรรมที่ทำให้เปื้อนภายในได้อีกจึงเรียกว่าบริสุทธิ์สะอาด บริสุทธิ์ฉะนั้นใครที่นึกว่าตัวเองบริสุทธิ์ดูจิตสักนิดน่มันยังขุ่นไหมมันยังแปดเปื้อนไหมมันยังไม่อยู่ข้างในไหมมันยังร้อนไหม ต้องดูให้ออกครว่าบริสุทธิ์นานๆพวกเราจะเจอดูมือนจิตของเราสะอาดและบางครั้งก็คิดว่าเรากลาบรลุหรือจิตขนาดนี้พึงจะบรรลุได้ จริงๆพวกเราเจอเพียงจิตที่ไม่มีเวรเท่านั้นเองหรือจิตที่กำลังสงบอยู่ในขณะที่ไม่ปรุงแต่งเป็นในบาปอากุศลหรืออยู่ด้วยกุศลธรรมอยู่แต่ยังไม่ถึงขั้วบาริสุทธถาบาริสุิ์ ต้องมีปัญญาเป็นผู้กำกับทิ้งไม่ได้ใครบอกว่าเป็นผู้บรร ล, ลุธรรมจิตที่บริสุทธิ์ต้องดูปัญญาด้วยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาปัญญาไม่ธรรมดา ท่านพูดด้วยคำว่าจิตอันเป็นผู้ออกจากวังวนแห่งทุกขติและวังวนแห่งภพภูมิน้อยใหญ่ในทุกที่มีจนถึงความสิ้นออกจากตัวของท่านเอง ที่จะต้องเกิดในภูมิพบต่อๆท่านจะไม่เกิดนั่นคือปัญญาที่สุดแต่สิ่งที่พูดมาที่เราฟังไว้เนี่ยจิตต้องเป็นเช่นนั้นคือว่างเปล่าโยมจะอะไรไปใส่มันก็เหมือนของว่างเปล่า แต่ของพวกเราถ้ามีอะไรเข้าไปใส่ก็ดูเหมือนเป็นของกูหตัวกูเอาความโกรธใส่ก็กูเนี่ยโกรธพอความโลภใส่กูเนี่ยมีความโลภอย่างได้พอความเอาความหลงแสก็ยึดติดในสิ่งที่เห็นที่พบที่เจอที่มีที่เป็นที่ใช้ที่ดินมที่อา ที่นอนที่กินยมรู้ไหมผู้ที่บริสุทธิ์จริงๆท่านไม่ติดที่อยู่ที่นั่งที่เดินที่นอนที่อาบที่ขับถ่ายท่านไม่มีเครื่องผูกแต่ท่านมีปัจจัยสี่ดำรงชีพอยู่ด้วยเหตุ และท่านก็อยู่ไปเมื่อถึงเวลาที่จากท่านไม่ร้อนใจเพราะท่านไม่ยึดมั่นหมายว่ามันเที่ยงแท้มันเป็นได้ก็เพียงชั่วระยะหนึ่งเคยดูดาวไหมโยมไปดูร ะ, ประยิบระ ย, ระยับระยิบระยับ เดี๋ยวก็หายไปทำไมเราไม่มองชีวิตมันเป็นเช่นนี้เหมือนกันโยมไปมองดาวข้างฟ้าไม่มีอ่ะฟังก็ แ, บบแปลกดาวข้างฟ้ามีแต่คนคำดินคำไม่นานหมดกำลัง จึงบอกธรรมชาติสอนธรรมะขั้นปรมัทิตย์อยู่ทุกวันโยมไม่พิจารณาเองปัญญายังไม่เกิดดวงจันทร์กับพระอาทิตย์ก็สลับกันอยู่โยมอย่าให้เขาอยู่เขาก็ไม่อยู่อย่าให้เขาไปเขาก็ไม่ไปเขาไปตามการ เกิดตามกาลเขาไม่เอากิเลสของเราเป็นใหญ่เขาไม่ได้เอาความพอใจหรือความไม่พอใจความชอบใจหรือไม่ชอบใจเอากิเลสของเราไปตัดสินธรรมชาติเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้แต่มาเลยเข้าใจระหว่างต้นไผ่กับใบไผ่ โยมเข้าใจอย่างไรต้นไผ่กับใบไผ่ใบไผ่ก็พลีออกจากกิ่งก้านนั่นเองของต้นไผ่กิ่งไผ่ก็อาศัยอยู่กับลำต้นเสียงว่ามันอาศัยลำต้นก็อาศัยอยู่กับรากรากก็อาศัยที่มีพื้นดินเป็นตัวยึดเกาะ และพื้นดินก็มีตัวอาศัยปุ๋ยแล้วก็น้ำทำให้ต้นไผ่นั้นอยู่รอดถึงเวลาหนึ่งใบไผ่ก็มีการร่วงแล้วก็ผรีใหม่ นั่งดูกี่ครั้งก็เห็นมันสอนอย่างนี้กวาดกี่วันกี่วันก็เห็นใบไผ่ร่วงอยู่อย่างนี้ทั้งเขียวทั้งเหลืองมันก็ร่วงให้เห็นได้ทุกวันทุกอาทิตย์และทำว่ากวาดขยะกวาดลานวัดกวาดลานเจนดีย์ได้ปัญญาธรรมะไหม พวกพุทธเจ้าระวังหลักไว้ดีการกวาดลานวัดเจดีพวกเราสะดุดใจบ้างไหมคิดอะไรออกบ้างไหมธรรมะกับธรรมชาติชีวิตกับธรรมะหรือลมหายใจกับร่างกาย เคยคิดบ้างไหมแต่มามองเห็นอยู่หลายครั้งพอกวาดใบ ไ, ไม้รวมหมดเออเกลี้ยงซทีทีพอพูดว่าเกลี้ยงซทีทีหันดูอีกทีเอาอีกแล้วเองก็ร่วงลงมาอีกเองมีหน้าที่ร่วงข้ามมีหน้าที่กวาด เออไม่ทะเลาะกันเองไม่ร่วงค่าก็ไม่ได้กวาดบุญค่าก็ไม่ได้กำลังกายก็ไม่ได้ออกเออนี่เป็นการออกกำลังกายของพระชนิดหนึ่งกวาดลานวัดดีกวาดลานเจดีปัดกวาดเช็ดถูแต่ต้องมีปัญญา ต้องมีปัญญาแม้ทำความสะอาดก็ต้องมีปัญญาคนไม่รู้แม้ติดทองพระเสย อ, อย่างดีเลยติดเสร็จก็ดีใจพระเจ้าภาพก็ดีใจอยู่ไม่ถึงสองเดือนพระท่านเอาผ้าชุบน้ำไปถูพระที่ติดองค์ทองเช็ดเสไม่ต้องดูเลย แล้วก็ยังสงสัยว่าทำไมมันหลุดล่ะมันจะอยู่แล้วเช็ดเอาผ้าชุบน้ำเช็ดไปหลายๆรอบเขาช่างไหนก็เอาไม่อยู่ทองคำทองคำเประี้ยวที่ติดไว้ก็หลุดกระดำกระด่างก็ว่าไปเขาไม่เอาผ้าเช็ด พระที่เขาลงรักปิดทองหรือปิดทองรับอย่างดีเขาก็ใช้แปรงปัดปัดปัดปัดขนไก่ปัดปัดหน่อยไม่ใช่วาผ้าชุบน้ำไปเช็ดทำความสะอาดยังไม่ปัญญาและจะปฏิบัติธรรมเกิดปัญญายาได้อย่างไรของเห็นอยู่ยังไม่รู้จกคิด เครื่องมือที่จะใช้ยังไม่รู้จักใช้มันทาให้ของเขาเสียหายบางคนบอกทำดีไม่ได้ดีก็ทำไม่ถูกวิธีปฏิบัติทำไม่เกิดก็แสดงว่าทำยังไม่เป็นเรายังไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจนั่นขาดอะไร ต้องรู้จักพิจารณาเสียหน่อยทําไมกินต้องพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าสอนสาวกของพระองค์พิจารณาอาหารพระท่านจะใช้คำว่าพิจารณาอาหารประเคนเสร็จก็มองไม่ใช่มองว่าเออดีชอบนี่ฉันไม่ชอบ นี่ชอบนี่ฉันไม่ชอบฉันจะเว้นวักไว้เขาไม่ใช่พิจารณาอย่างนั้นว่าชอบกับไม่ชอบไม่ใช่อ้นี้น่าจะอร่อยนี่ฉันไม่ชอบให้พิจารณาว่าอาหารมื้อนี้เราจะต้องฉันหรือกินปราศจากโทษปราศจากเวนปราศจากัย โทษเวรภัยจะไม่มีในการบริโภคอาหารนั่นก็คือต้องได้จากความบริสุทธิ์สะอาดนี่คือประการหนึ่งแตียว่าไม่ได้ขโมยเข้ามาไม่ได้แย่งชิงใครมาแล้วพอเสร็จพิจารณาต่ออีกว่าเราฉันเพื่อดำรงชีวิตเพื่อประพฤต พรมจัรไม่ใช่ฉันเพื่อความอร่อยเมามันหรือฉันด้วยความขนองมือขนองเท้าไม่ใช่จึงเรียกว่าสํารวมสองแล้วแล้วก็สามต้องรู้ประมาณในการ คบฉันหรือทานหรือกินไม่ใช่ว่าตักจนมากเกินแล้วกินไม่หมดเอาไปเททิ้งอยากข้าวคนก็เป็นข้าวหมูข้าวสุนัขไปไม่จำเป็นต้องมากมายขนาดนั้นเอาพอประมาณกินมากมันเป็นโรค อย่างน้อยคือโรคอ้วนเรนว่าอาหารมันสะสมแล้วมันไม่ใช่ทรัพสมบัตินะเนื้อเนี่ยมันเป็นโรคเดี๋ยวนี้ความอ้วนเขาจัดเป็นโรคนะโรคอ้วนจะเป็นหอบหัวใจเหนื่อยเส้นเลือดตีบไขมัน มันจะเกิดตามบอกไตรกิสร า, ายและกไตระซลอนมันเกิดตามมาอุดอัดนั่นเป็นเพราะไม่พิจารณาขนองปากตามใจปากลำบากท้องท้องมันน่าสงสารบางทีมันบอกมันไม่ชอบเผ็ดท้องบางกินแล้วแสบเข้าไปในกระเพาะ ลำไส้เนี่ยแต่ปากวกชอบแต่ผมเป็ดแล้วมันถูกลิ้นแหมมันได้รสอาหารผมกินไปลําไส้กับท้องน่าสงสารปิดอยู่งั้นแต่งว่ากินเป็นทุกข์นะทำไมไม่กินทานเพื่อดับทุกข์ล่ะ บางคนกินเป็นทุกข์อย่างเอาเหล้าเข้ามากินมันเป็นสุขหรือเปล่าเปล่าร่างกายมันมีแต่โทษโทษภัยที่เกิดตามมาแล้วก็โรคที่จะก่อให้เกิดไม่ว่าจะเป็นตับแข็งมันเป็นได้ทุกอย่างสุบุรีทำไ ม, มไม่พิจารณาก่อนจึงจะเสพลงไปตรงนั้น นี่คือเราเราต้องรู้การพิจารณาไหมพอรู้เห็นแล้วก็มีการประมาณเสร็จทีนี้พอเราทานไปไม่ใช่ทานด้วยความชอบใจหรือไม่ชอบใจพระพุทธเจ้าบอกให้ฉันในบาทถ้ายิ่งถือธุดงวัดฉันในบาทเป็นวัดก็เอามารวมกันคลุก โอ้โหสูตรสุดยอดผู้แลลงหลายหลกินอะไรไม่อร่อยเท่ากับกินในบาทและกระคนเข้าให้รวมกันได้แม่ข้าต้มรวมก็จับแม่เจอผัดซีอ e ิ๊วเจอผัดไปรรบเขาเจอฟักเจอแตงโอ้โหยิ่งกับของหวานราดกับอีกชั้นหนึ่งแม่ สุดยอดที่แรกกินยังไงดีวะนี่จะเริ่มตรงไหนดีจะแหวกตรงไหนดีเนี่ยพออืดพออมใหม่ๆแต่พอได้ลิ้มรสไปแล้วโอ้โหเป็นทิปอย่าบอกใครนะใครบอกกินอาหารเล่มเบือ่อกินไม่ลงอาบาดไปลูกใส่รวมแล้วคนดูโอ้โหกินแล้วอบบวนไปทั้งห้องเลยนะ นพูดแล้วน้ำไหลไหลนึกถึงน้ำพริกแถวจันทบุรีแม่มีน้ำพริกให้ฉันได้ทุกวันเดินไปก็คิดวันนี้มีน้ำพริกไหมเนาะพระเริ่มติดน้ำพริกอยู่พูดแล้วน้ำลายไหลไปโยมก็ฟังก็ตอมน้ำลายทำงานนะเนี่ยนั่งสมาธิกลืนคลึกคลึกแม่จะได้จิ้มผักเลยนะโยมเนาะ สบายเนี่ยจิตจิตมันไปแล้วนะเนี่ยไปนั่งจิ้มแล้วเนี่ยมันอร่อยโอ้โหพอเปิดใส่ถุงแต่ละบ้านแล้วเอากะละมังมาลูกมารวมกันแล้วก็คนกันเนี่ยโอ้โหบ้านหนึ่งติดเค็มบ้านหนึ่งติดไปทางหวานบ้านหนึ่งก็ออกไปทางพอมารวมกันแล้วมันเป็นรสที่มันกลมกล่อม หากินยากหากินยากน้ำพิษเจ็ดบ้านมารวมกันแล้วแม่ได้สูตรเด็ดเล ย, ยมีหน้าพระท่านเลยฉันได้บาทเป็นวัดตลอดชีวิตมันอร่อยอย่าบอกใครเลยเชียวโยมพูนแล้วนํลายไหลจริงๆงเนี่ยโยมไม่ใช่กลับบ้านโยมไม่กินกับจานแล้วเอาบาทเป็นวัดเหมือนกัน สามีนั่งมองมจะบ้าเปล่าเนี่ยไปปฏิบัติมาอาทิตย์เดียวเพี้ยนหนักถึงกับไม่ใส่จานแล้วเองคนลงไปเลยเลยเนี่ยก็เวลากินเสร็จแล้วมันลงไปในท้องด้วยกันไหมล่ะเออนึกหน่อยแม่มันเร็วชักผิดกันแค่หนึ่งนาทีเองถูกไหมพอผ่านคอกลืนลงไปนะกลืนลงไปเสร็จ มันรวมที่ไหนโยมว่านี่ไงก็ในท้องเราเนี่ยแหละมันแยกไหมว่านี่ของหวานนี่ของเค็มนี่มันไม่ได้แยกเลยดูแลนำลายไห ล, ไหลเออนี่พักนี่ไม่มีพอรวมเสร็จงั้นก็นรวมกันซะเลยบนโต๊ะนี่เลยโยมแต่อย่าไปทำผิดที่นะคาว่าบ้าจริงนะโยม สังคมก็ไม่ยอมรับบางแห่งเอาชชางก็เถอะนี่เราพูดถึงนักปฏิบัติธรรมเออเราพิจารณานี่เราพูดให้รู้ก็มาพิจารณาสุดท้ายอ๋อจะเลือกเผ็ดหวานเค็มท้ายที่สุดก็ไปรวมกันอยู่ในท้องนี้แหละเอองั้นเราก็มาดังไปติดในรถอาหารเอาละได้เคล็ดมาแล้วฉันแบบ ผู้มีสติปัญญาเอเมนไหมโยมเขียวเขียวเียวเียวเยว เ, ยวเสร็จกลืนหนอนี่ไปรวมกันแล้ ว, ลวมันถึงกันแล้วพระเวลาท่านฉันในบาทเป็นวัดอร่อยจะมารู้แล้วบางองค์นี้อธิษฐานฉันในบาทเป็นวัด ตลอดชีพิตก็มีเป็นทุดตรงมัานเลยตันชันจริงๆต่มมาก็ทดสอบทุกอย่างแล้วเดี๋ยวเอ า, ต, าตักะต้มไปทพีครึ่งเนี่ยเจอเส้นก๋วยเตี๋ยวก็เอาก๋วยเตี๋ยวใส่เข้าไปเอาเจอบวบเอาบวบใส่เข้าไปได้เจอแกงส้ม มแล้วก็ตักใส่เข้าไปโอ้โหกะต้มใส่แกงมะะกาแล้วก็ยงไปกินไหมอร่อยอย่าบอกใครอีกเลยกินได้เจอผักอีกเอาผักรวมเข้าไปอีกมันก็คือห้ามหมวดอยู่ดีแหละโยมเพียงแต่ว่าพวกเราไม่ชินเพราะราต้องแยกกินไปนแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างสุดท้ายก็คือ รวมมิตรมันไม่เป็นศัตรูหรอกถ้าอาหารมันไม่มีภัยมันก็เป็นรวมมิตรมันเป็นมิตรกันรวมมิตรนี่กินแบบเรารู้รู้วิธีภาวนาพาอ๋อกินแบบที่ไม่ติดในรสอาหารแต่รู้ในรสอาหารบางคนไม่เข้าใจนะ ปฏิบัติทำเสร็จฉันไม่ติดในรสอาหารจะไปปฏิสิทธเผ็ดเค็มหวานไม่ได้ธรรมชาติเป็นอย่างไรให้เป็นไปตามธรรมชาติเพียงแต่ว่าเราไม่ติดในรสอาหารแต่รู้ในรสอาหารยกเข้าใจละอ๋อยกเข้าใจแล้ว ท่านบอกว่าเรากินไม่ติดในรสอาหารแต่รู้ในรสอาหารท๋ อ, อธรรมะอยู่ตรงนี้เองสติปัญญาอยู่ตรงนี้รู้ในรสอาหารแล้วใจที่ไม่ยึดมั่นในรสอาหารจบไม่ขอน้ำปรากินมีอย่างไรถวายมากินอย่างนั้น กินอย่างนั้นยิ่งหลากหลายโยมมาถวายนะพอมาคลุกกันแม่มันเหมาะเจาะมันเลยโยมสังเกตดูนะอยิ่งอยู่ตามหมู่บ้านพวกทำกันนะเอาแต่ละบปิ่นโตมารวมๆๆแล้วก็ตัง้งแล้วพระทั้งกับพิจานาตักๆๆพอมาคนกันเสร็จมันพอดีทุกทีเลยบางบ้านมือหนักไปหน่อยเค็มบางบ้านมือหนักเผ็ดบางบ้านก็จืดพอมารวมกันได้นะ มันเป็นรสชาติที่พอดีทุกครั้งเลยมันแปลกจริงๆนะโยมแปลกแต่ามาบอกไม่ถูกว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่รู้ว่ามันดีพอฉันก็ดีดีขนาดแกงส้มกับข้าวต้มยังดีเลยโยมแต่โยมอย่าไปกินนะถ้าทานไม่แข็งเดี๋ยวท้องร่วง เดี๋ยวกลับไปทำเจ็ดวันนี่ทำไมไม่มานะโยมทาท่าจะขาดปัญหาแล้วมึงบอกว่าจะมาทุกวันพระในปัญษาที่แนนได้ยังถ่ายไม่เสร็จนะสูตรพระอาจารย์บอกเนยะต้องกัแกงสมมาลนะกอนก็นต้องดูทา่าขันนิดหนึ่งเหมือนกันนะดูนิดหนึ่งพิจารณ า, นานด้วยนะอย่าตามไปทุกเรื่องฟังให้มีปัญญาเหมือนกัน อะไรที่มันแสลงก็ลีกได้ก็เลีกพอเราเข้าใจเสร็จเออกินอาหารรู้รถแต่ไม่ติดรถพอยงเข้าใจคำนี้รู้กลิ่นไม่ติดกลิ่นรู้เสียงไม่ติดเสียงเห็นไหมมันแตกเหมือนใบไผ่ที่มันแตกอยู่ในกิ่งมันเริ่มผลิขึ้นมาใหม่ ถึงจะหลุดร่วงไปปัญญามันก็มีมันก็รู้ตื่นเห็นอีกเราก็กวาดไปกวาดเห็นไเห็นความเกิดดับเรากวาดเราเห็นความเกิดเ อ, อดับเมื่อวานก็เครียงแล้วนะวันนี้อีกแล้วยมจะโกรดต้นไผ่เมื่ อ, อไรยมคือคนไม่มีปัญญากวาดให้มีธรรมะ ใจจริงสะอาดถ้ากวาดไม่มีธรรมะกวาดเท่าไรใจไม่สะอาดแสดงว่ากวาดไม่เป็นธรรมชาติกวาดมีแต่ตัวตนกวาดไม่เป็นเอา้ากวาดขยะสำเร็จได้เชื่อไม่เชื่อพูดจริงไม่บุญเล่นกวาดใบไม้บรรลุธรรมได้เชื่อไหมล่ะ กวาดให้เป็นเอาธรรมมาเคยกวาดแล้วพอเรากวาดไปกวาดมาพอมารวมกันปุ๊บทำท่าจะหาที่มาโกยลมมาพราอบโหใบไม้ปรีววนตั้งสติพิจารณาจิตที่ไม่หนักแน่น มีสิ่งมากระทบนิดหน่อยก็ปลิวว่อนไปจิตไม่มั่นคงมันก็เป็นเช่นนี้จึงฟุ้งซ่านอ้องั้นกวาดใหม่ได้ปัญญาไหมละ่ะได้ธรรมะเออมันสอนเราสอนเรามันสอนเราเพอกวาดมารวมกันเสร็จอ่อ แล้วก็โกยใช่ยวันนี้ลมยังไม่มาโกยพอเราโกยเกลี้ยงเสร็จลมพัดมันไม่มีอะไรจะพัดใบไม้ของเราเรากวาดออกหมดแล้วฉะนั้นใครจะมายุมาแย่มากระทบกระทั่งอย่างไรก็ตามมันไม่มีอะไรที่จะฟุง้งโอ้จิตเป็นอย่างนี้เองเนอเริ่มเข้าใจอีกอย่างหนงะ มันค่อยๆเข้าใจเอาอย่างนี้ตรมาสอนธรรมปะปะ่าง่ายๆเดี๋ยวว่าไปอยู่ป่าหลายเดือนไม่มีวิชาติดตัวมาครูอาจารย์ธรรมาสอนไว้รอบตัวธรรมชาติเป็นอาจารย์ใหญ่ถือถังน้ำเดินลงลำธารเลยมีสัมพานธ์อยู่พอทำท่า ก, ก้มจะเอาถังน้ำตวัด ที่จะให้ถังลงไปในน้าแล้วจะเดึงขึ้นย่อมรู้ไม่เห็นอะไรเห็นตัวเองเฮ้ยหยุดมองก่อนไม่ใช่หลอนนะไม่ใช่พิ จ, จะะารณาตัวเราเลยเนี่ยเห็นกายหรือเห็นจิตปฏิบัติมาตั้งนานท่านเห็นอะไรเดินลงน้ำยังมองเห็นกาย นั่งภาวนาหลับตาทำ่าเห็นใจบ้างไหมเออถามดีนี่คุยกับตัวเองนะคนอื่นไม่เกี่ยวาถามดีนี่ก็เลยดูน้ำเมื่อน้ำมันก็เย็นแล้วท่านใจเย็นไหมลนะ่ะเออดักน้ำอยู่ทุกวันใจร้อนแสดง ว, ว่าท่านไม่ได้ดักน้ำเลยท่านดักไฟ ักไฟอาบน้ำอยู่ทุกวันใจไม่เยน็นงว่าอาบแต่กายไม่เคยได้อาบใจเลยโถอาบน้ำมาตั้งยี่สิบปีโง่จริงๆเห็นไหมพอนั่งดูเอาละไม่ต้องรีบร้อนนั่งดูน้ำก่อนน้ำจะบอกอะไรชะโงกเห็นเงาตัวเองถามว่าอยู่เกียมตัวไหมเออ ที่กระบอกตักน้ําชงโงกดูเอาตัวเองเนี่ยเรารู้จักเจียมตัวหรือยังเจียมตัวเจียมใจนะแหมพูดยากทำ น, นี่เจียมตัวไหมถ้าเจียมตัวอยู่อย่างไรโยมต้องหาตัวเองให้เจอต้องหาตัวเองว่าเจียมตัวอยู่ไหนหรือว่าการนอบน้อมถ่อมตน เราอยู่ยังไงดูดิดูตัวเองดูใจด้วยมักใหญ่ไฟสูงเกินหรือเปล่าวางทิวางท่าวางกล้ามมากไปหรือเปล่ากระด้างกระเดื่องมากไปไหมอากับกิริยาของเราแสดงสมกับฐานะไหมแล้วบอกเป็นผู้ภาวนาคนภาวนาเขาวางตัวยังไง ไหนท่านนั่งแบบไหนเดินแบบไหนกินยังไงนอนแบบไหนพูดยังไงคิดแบบไหนจึงเรียกว่าเป็นการนั่งเดินยืนนอนแบบผู้ภาวนาเออดีถามอย่างนี้ในนามวิเศษใช่บอกอัตมานหน่อยแน่โตโยมปัญญาไม่ใช่อยู่ที่ตำราปัญญาอยู่ที่การรู้จักกันเพ่งพินิจพิจารณา สิ่งที่อยู่รอบตัวและสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในตัวเราเองดูเนะก็เลยดูดูตรงไหนย้อนไปหนึ่งเก้าย้อนไปสองเก้าเหมือนเขาเรียกรีเพย์กลับกลับไปทำไมกลับไปดูว่า เราเป็นอยู่อย่างไหนเป็นอยู่อย่างไรทำชีวิดเยีย่ยงไรดูอากับกิยาเป็นไงดูตัวเองไม่เข้าข้างใครเมื่อไรเราเข้าข้างตัวเรานั่นคือเป็นการให้กิเลสมันโตขึ้นอย่าอย่าตามใจตัวเองและอย่าพึ่งเชื่อใจตัวเองมันต้องสอนตัวเองซะก่อน บเรียนเริ่มต้นมันเริ่มจากตัวเองไม่ใช่เริ่มจากคนอื่นอาจารย์ดีแค่ไหนก็ตามถ้าตัวเองไม่เริ่มต้นอาจารย์ไม่มีภูมิใดที่จะสอนได้เลยก็เหมือนภาชนะที่คว่าไว้ฝนจะตกมาสักกีหาถามว่าได้น้ำสักหยดไหมไม่มีทางน้ำไม่ได้ กเริ่มถอยย้อนกลับไปนั่งดูยินดูในท่าเป็นยังไงพูดยังไงะระลึกดูที่วันนี้พูดอะไรพูดอย่างนี้มันเป็นธรรมะไหมพูดอย่างนี้เป็นเหมือนเพศนักบวชไหมเราก็ย้อนดูเออกินแบบไหนวันนี้ในขณะที่กินขบฉันอยู่ ระลึกอะไรบ้างสติระลึกอะไรรู้อะไรในการกินพอเราย้อนดูตัวเองเรารู้เลยเรารู้เลยนะเราจะไม่ปิดบับงตัวของตัวเองเราจงมองให้เห็นตัวของตัวเองเห็นตัวแก่ดีกว่าเห็นแก่ตัว มันเป็นคำที่สั้นและก็ฟังง่ายเห็นตัวแก่ดีกว่าเห็นแก่ตัวเห็นตัวแก่เป็นธรรมะทิมเกตตัวนี่เป็นอธรรมนะการปฏิบัติตัวอย่างนี้ไม่เหมาะเราก็ดูย้อนไปเริ่มเห็นตัวเองท่านจติตรงไหนควรตำหนิตรงไหนควรเตือนตัวเองอย่างไร ที่บอกตนเตือนตนของตนเนี่ยนะวิเศษสุดทันโตเศธโธมนุษย์เศษสุดมนุษย์ที่ฝึกตนเนี่ยประเสริฐสุดแล้วประเสริฐสุดเลยนะเเลยนะ่พะพอเรามองเห็นปื๊บเรารู้แนละ้วเราพลาดจุดไหน มองเห็นตัวเองเอาแล้วตักน้ำได้ตักไปแบบใจต้องเย็ดเพราะอะไรห้องซ่วมมันไม่มีก๊อกน้ำต้องหิ้วจากลำธารเดินไปสี่ห้าสิบเมตรแล้วก็ไปตักใส่ถังภาชนะใครไปใครมาเขาจะได้ใช้เราจะได้บุญแต่ถ้าคิดไม่เป็น ตักมาแท้ๆเลยเต็มเมื่อกี้ยังไม่ทันได้เข้าเลยดูที่อื่นมาเข้าจนแล้วดูที่น้ําก็ลดไปแล้วงุนกิดแสงว่าแทนว่าจะได้บุญกิดเป็นบาปคนนี้เขาเรียกสร้างบารมีไม่เป็นเป็นคนคัดแคบนะสร้างบารมีไม่ได้แตามาบอกให้ฟัง โอยเป็นอะไรอาตมาอามามีความสุขโอ้ย้องช่วมมีคนเข้าแล้วแนลน้ำที่ตักของเรามีประโยชน์แล้วเห็นไหมบารมีเราเพิ่มแล้ ว, ว น, นี้คิดเป็นั้ยอย่างนี้นี่มีความสุขโอ้พ่อญาติโยมมาเราได้กวาดรอบกุฏิเจนดีรอบสาราที่เราอยู่สะอาดสะอาดโยมไปโยมมาโยมก็ สดชื่นเบิกบานเห็นสิ่งสะอาดสะอ้านภาชนะเก็บไว้เป็นที่เป็นทางเป็นระเบียบเรียบร้อยมันกับสอนให้โยมที่มาให้เห็นว่าเขาอยู่กันอย่างนี้อย่างผู้มีระเบียบพอโยมมาเห็นปุ๊บพูดมานี้เงียบเลยนะพอเดินเข้าใกล้เริ่มเงียบป้ายเขียนว่าแดนสงบตัวเดียวนั่นเอง ไม่ได้บอกว่ายมห้ามพูดนะไม่แดนสงบเงีบยบยอมเดินเงียบเข้ามาอยากเสียงได้ยินคุยกันยิงลงชงเชงนะเงียบดูดิพอยมเข้ามาก็ยมเขาก็มองเขาไม่ง่อหรอกเขาก็มองเออสะอาดสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย โยมก็ได้ความสุขเราเองก็โยมก็ชมชวยยุ้งในนะเราก็ได้การสรรเสริญนี่เ็าเรียกข้อวันที่ไม่พร่องต่งมากกว่าถึงปากทางเลยยาไปตั้งห้าร้อยเม็รกวาดมือพองมื อ, ม, อมือเป็นน้ำก็ช่างมันเออทำไปมีความสุข ความสุขความสุขเกิดจากการให้ความสุขเกิดจากความสะอาดความสุขเกิดจากความมีระเบียบความสุขเกิดจากการสร้างตนสร้างคนเออสอนคนโดยไม่ต้องพูดก็ใช้ได้มันมีวิธีสอนหลายแบบตักน้ำวันนี้เราตักน้ำแบบใจเย็นพอตักน้ำเออ น้ำก็เย็นใจก็เย็นน้ำก็ใสหน้าเราก็ใสเท่ากันเนาะพูดกับน้ำได้หเห็นไหมโยงใครว่าอยู่คนเดียวแล้วเหงาคนมีธรรมะไม่เคยเหงาไม่เคยเศร้าซ้อยและไม่เคยห่อยี่ยวและแห้งเหี่ยวหัวใจแต่มารู้เลยตั้งแต่บัดนั้นเนี่ยเราจะไม่เป็นโรคซึมเศร้าน่ากลัวนะคนเป็นโรคซึมเศร้า น่ากลัวมากมันบั่นทอนสุขภาพร่างกายอายุและชีวิตโรคซึมเศร้าต้องอย้ายเกิดกับจิตเข้าใจแล้วตักน้ำโอตักแบบมีความสุขทำงานแบบมีธรรมะมีเมตตามีความสุขการช่วยเหลือเกื้อกูลมีความสุขการอยู่ในหมูคนะ่คณะมีความสุขโอ้ เราตอนนี้อยู่บนสวรรค์ลแล้วยิ่งอยู่เป็นหมู่คณะนะพอได้เวลารู้เลยมีสัญญาณเปลงเอาแล้วสัญญาณ น, นั้นมาจับไม้กวาดคนละคนละอันคนละเล่มกวาดกันเลิกกันเลิกพร้อมกันถัดฉันน้ำก็นั่งพูดในสิ่งที่พึงพูด ไม่เอาไฟนอกเข้ามาไม่เอาไฟในออกไปเรื่องทางบ้านไม่ขนข้าวัดเรื่องในวัดไม่เอาออกนอกบ้านมีแรเราก็ดูพระผู้ใหญ่กว่ากัวังตัวเป็นผู้ใหญ่พระผู้น้อยกว่าก็มีความเคารพซึ่งกันและ ก, กันการพูดการจา ก, ก็พันเตเถระรู้จักพูดยกมือไหวเคารพซึ่งกันและ ก, กัน ผู้ดีเให้ความเคารพก็ต้องวางตัวเป็นที่น่าเคารพแมมันน่าอยู่ที่นี้เป็นรมมณียสถานแต่มาบอกอยู่ที่ไหนสบายมีความสุขเริ่มอยู่มีความสุขตั้งแต่คนเดียวคนเดียวกลางคืนน้ำมาก็มีความสุขกับแสงจันทร์ กับสัตว์น้อยใหญ่หิ่งห้อยกับความมืดบางคนก็กลัวความมืดแต่ตมานั่งอยู่ในความความมืดเนี่ยไม่มีความกลัวเพราะเรามีใจที่สว่างมองอะไรเห็นอยู่ในความมืดเราไม่มืดเราไม่มืดมองเห็น เออกลางคืนก็ดีแบบนึง น, นะธรรมชาติปรีกลีกวิวกเวกนั่งภาวนาดีจากแต่ว่าจะกลัวนะัไม่ใช่เรากบมองเออความสงัดเหมาะแก่การภาวนาดูสิถ้ามีปัญญา น, นิดเดียวเราเปลี่ยนจากอาวุธ ให้มาเป็นอาวุธที่ส่งไว้ซึ่งประโยชน์ที่จะก่อให้เกิดงานเราได้เราเปลี่ยนได้ถ้ามีปัญญาแต่ถ้าไม่มีปัญญาอาวุธก็ไว้ฆ่าย่างมีดเรามาหันผัดเอามาตัดฟื้เรามาขวานเอามาทำอะไรก็ได้เพราะเราไม่มีวิญญาณของเป็นนักฆ่าเราไม่ใช้อาวุธตรงนั้น อยู่สบายแล้วนี่เองที่บอกสุขแบบธรรมะไม่ต้องกรรมคุณเข้ามาเลยไม่ต้องไม่ต้องเลยโอ้ยิ่งเข้าใจเข้าใจเข้าใจพอคนเข้ามาใกล้เออคนภาวนานี่เย็นจริงเขารู้นะ สัตว์ยังรู้เลยเขารู้จิตนี้ภาวนาจริงสัมผัสได้พอคนมาปุ๊บนั่งสักคู่นะสักครู่ในปับ๊บเขารู้เออพระองค์นี้หรือผู้ภาวนาคนือคนคนนี้อยู่ใกล้เขาสงบได้เย็นได้พอพูดมาเขามีคติ เขาให้สติเขาเตือนจิตเรารู้ว่านี่แหละคนมีคุณธรรมคนนี้ยเป็นผู้มีศีลจิตสัมผัสได้เขาไม่ไวุ่นวายคนมีธรรมะถ้าวุ่นวายนี้ไม่ใช่บอกว่าเป็นเทระธรรมาก็ไม่เชื่อว่เทระอายุ ม, มากผมงอกแค่นั้นเองเกิดนานอายุ ม, มาก ก็เป็นคนแก่ไปแต่ไม่จัดว่าเป็นเถระในธรรมวินยัยไม่ใช่นะพอเข้าใจเสร็จสบายแลยโยมกวาดขยะก็มีความสุขกวาดยังไงให้ใจสะอาดตักน้ำอย่างไรตักน้ำให้ใจเราเย็นเหมือนน้ำด้วย ทีนี้พอกำหนดลมหายใจต้องเอาปัญญาดูลมหายใจก็ให้ชีวิตทําอย่างไรให้ลมที่หายใจมีชีวิตให้เรารู้จักให้ชีวิตเขาบ้างภาวนาอย่างนี้ได้ปัญญานิยมหายใจต้องการแต่ชีวิตอยากได้แต่ชีวิตแต่ไม่เคยคิดลมหายใจที่เรามีเราจะให้ชีวิตยังไงบ้าง ให้ผู้อื่นอย่างไรบ้างหรือให้ชีวิตอย่างไรบ้างนี่ความเมตตาจะมีความกรุณามันจะมีและคุณธรรมพอเกิดในยนุนมันเหมือนขุดบ่อเจอตาน้าห้ามไม่อยู่นะตักปั๊บก็ไหลออกมาอีกตักปั๊บก็ซึมเข้ามาอีกมันไม่แห้งนะจิตของใครก็ตามถ้ามีเมตตาพอนา ม, มีธรรมะอยู่ จิตไม่แห้งแล้วคนนี้คือคนไม่จดไปอยู่ไหนที่บอกไหลตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไม่เรื่องจริงนะเขามีเทพรักษาคนมีเทพรักษามีทรรมคุ้มครองอยู่นะสติเขาไม่เศร้าหมองเขาอยู่อย่างผู้ไม่มีเวร ดวงตาเขามองแล้วใส่ไม่ขุ่นไม่ขวางไม่ดูดันแล้วเมื่อสัมผัสแล้วไม่เร่าร้อนไม่เร่าร้อนคนเขาก็อยากเข้าใกล้อยากอยู่ด้วยอยากสนทนานด้วยแล้วเมื่อสนทนาเขาให้ความเคารพนะเพราะสิ่งที่พูดไป เป็นภาศิตฟังแล้วมันได้สติอ่านหนังสือมาร้อยเล่มไม่เท่ากับวันนี้ที่ได้ฟังท่านพูดเพียงครึ่งชั่วโมงท่านบอกไงรูกให้บอกทำอะไรคิดแล้วพิจารณาแล้วเอาสีลมาเทียบท่านสิ่นั้นไม่ผิดด้วยสี คิดแล้วก็ทำเถอะมันจเจริญแต่ถ้าคิดแล้วในขณะคิดก็เดือดร้อนทำแล้วก็เดือดร้อนทำเสร็จก็เดือดร้อนตรงนั้นเป็นความคิดแล้วเอาศีลมาเทียบดูถ้าผิดต่อศีลดงละความคิดนี้เสียแม้แต่ สีลที่เรายังไม่ได้ผิดแต่ถ้าสิ่งนั้นมันเป็นการเบียดเบียนทำให้ใจไม่สบายขุ่นมัวแล้วก็พยายามเจริญกุศลให้ยิ่งกว่าในความคิดนี้ชมมันได้หมดแล้วคุณธรรมเนี่ยเวลาใช้มันใช้ได้ทั้งชีวิตนะตั้งแต่เริ่มรับรู้จนวันตาย แล้วคุณธรรมจะปกปักรักษาคุ้มครองจิตเราเมื่อไปสู่ในปารโลกหน้าอีกที่ตะมาเคยเห็นคำว่าเพื่อนแท้จริงเนะี่ยยังไม่สู้กับธรรมะที่แท้จริงเพื่อนแท้จริงอะไรก็ตามที่เราพูดกันมาพอตายก็จากกัน แม้สามีภรรยาอยู่กันมาสามสี่ห้าสิบปีเวลาตายก็จากกันชีวิตคนอยู่ก็ต้องดำเนินต่อแต่ชีวิตกับธรรมะเขาไม่ไม่ใช่ตายเลยจากธรรมะจะคุ้มครองจิตนี้ไปสู่สุคติให้ผ่านจากทุกข์ได้ เขายังช่วยข้ามไปในภพภูมิหน้าอีกแล้วอย่างนี้ใครที่ทิ้งธรรมะเหมือนทิ้งวิญญาณที่มีความสุขไปตมาจึงไม่แปลกใจว่ามนุษ์เราค้นหาวัตถุที่ไม่รู้สึกว่ามันเพียงพอก็เพราะเขายังไม่พบ สิ่งที่เขาต้องการจริงๆดูเหมือนว่ามันยังขาดอยู่วัตถุจะมีเต็มบ้านเท่าไหร่ก็ดูเหมือนมันยังขาดอยู่คือความสุขที่แท้จริงคนมีธรรมะพอเริ่มรู้เริ่มเข้าใจสุดท้าย เราพิจารณาตัวเองได้พูดยังไงให้ชีวิตเป็นมงคลที่บอกปากเป็นเอกเลขเป็นโทความรู้เป็นตรีและก็มีชั่วดีเราทำอย่างไรโยมพูดอย่างไรไม่มีโทษ คนเวลาโกรธคำพูดออกมานี้ไม่น่าฟังเหมือนแสดงว่าข้าโกรธและก็สนองความโกรธด้วยความวิบัติแห่งภาษาในความโกรธนั้นไม่มีมิตรและในความโกรธไม่มีเมตตาอย่าเข้าใจว่ามีนะไม่มีเอา แค่กล่องข้าวน้อยนะแม่ตัวเองบรรดาโทสะด้วยค ว, ว่าความหิวเท่านั้นแหละฆ่าคนได้แสดงว่าความโกรธไม่เป็นมิตรแต่พอความโกรธหายไปรู้สึกเสียใจผิดต่อการกระทำความโกรธ เปลี่ยนชีวของเราไปเลยเวลานั้นอันตรายฉะนั้นเป็นไปได้ถ้าท่านยังมีความโกรธอยู่ในเมื่อเรายังสติอ่อนะระลึกไม่ได้จิตคุณธรรมยังอ่อนกว่าไม่พูดได้ไหมนิ่งเสียได้ไหมถ้าพูดเวลานั้นเนี่ย ไม่ดีก็บอกนิ่งอะไรนิ่งเสียอะไรหมื่นตำลึงทองเนี่ยถ้านิ่งตอนนี้ดีอย่าพูดเลยอย่าพูดไปอมน้ำไปให้มันเย็นอย่าพูดพูดไปเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่มันเหมือนกับเอาเชื้อมาเพิ่มไปเพิ่มไปเพิ่มไฟ หรือเอาลมไปเป่าไฟให้มันแรงแล้วก็ลุกโหมขึ้นเรานิ่งได้ไหมสิ่งที่คิดจะทำถ้าไม่ดีหยุดก่อนได้ไหมไม่มีใครสั่งชีวิตเราถ้าเราไม่ทำถ้าใจมันไม่เอาแล้วเขาบอกให้หยิบมีด มือไม่กำแม้บังคับให้มือไปกรำ ม, มีดและบังคับให้ฟันและเขาช่วยให้เราเอามือไปฟันด้วยเราก็ไม่ได้ทำตรงนั้นนั่นคือการบังคับนั่นนำพามือเราไปทุบลงไปไปฟันลงใจไม่ได้ทำกายไม่ได้ทำวัตีไม่ได้ทำบาปนั้นไม่มีเจตนาเป็นตัวกบ เจตนาไม่มีกรรมตรงนั้นท่านบริสุทธิ์ฉะนั้นยินยันได้ความบริสุทธิ์เกิดด้วยปัญญาฉะนั้นผู้ภาวนาหลายคนมองข้ามอะไรไปหรือเปล่าบางทีมองคนอื่นไม่เห็นตัวเองแต่ถ้ามองตัวเองไม่เห็นคนอื่นยังดีกว่า เราไม่สอนตัวเองสอนคนอื่นเราคงเป็นคนดีลำบากฉะนั้นเริ่มต้นก็คือพิจารณาตัวเองเรียบร้อยเสร็จท่านจะรู้เราจะพูดอะไรท่านสอนแล้วนี่คนพูดแบบไหนท่านจะทำก็รู้ว่าคนทำแบบไหนเอาอะไรเป็นเกณฑ์ ศีลสมาธิปัญญาเป็นอาจารย์ของเราที่จะทําพูดคิดนึกแล้วไม่ผิดทางเอาใจคนผิดได้แต่เอาใจศีลไม่ผิดเอาใจธรรมะไม่ผิดแต่เอาใจตัวเองผิดได้จำไม่นาเอาใจศีลไม่ผิดเอาใจธรรมะไม่ผิดเอาใจตัวตนเองผิดได้ ต้องระวังนิดนเอาล่ะก็ขอยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ขอจงได้รับความสุขทุกท่านทุกคนเถิด